ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ใครกังบนในทุกสิ่งนะจ๊ะเราก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี่ อ, อนคลายกลามเนื้อทุกเสื่องร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะ ้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนะี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ทั้งเบา อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเมื่อเรานอนหลับงั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตากเราก็จะ พอสบายบายเพราะฉะนั้นต้องต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจ พอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเรานีผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ไ้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเรานั้นมันก็จะผ่านไป แล้วก็ อ, อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิแต่ลรคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับ ไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจแต่เราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำโกรมใจให้มาเป็นสมาธิจะทำอย่างนี้มันจะ ได้ผลไม่เต็มทีนะ่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เกิดประโยชน์อนไรเนะี่ยเพราะ้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็จยเฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชัวนะ่วเลยนั่นแหละ เราเฉยๆเดียวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันวันผ่านมาหมดาแล้วเกินกกให้ เ, อเยอะเปะลือกตาไปมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเลือกตาไปเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไป แล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ก่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเอ ง, เ อ, งอย่างสบายๆง่ายๆ ถ้าเราทำถูกหลักวิชาล้วก็นในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทางความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้อง หรือถ้าเดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ใจคุ้นคุ้ น, นภาพดวงแก้วใสใสเพชรใส ส, สดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้ เวลาเราลืมตาทำโน่นทานี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยเนะ่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการใ้ใจคุ้นเคยครับกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเวลาหลับตามจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตา ทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทุกบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกาย ถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆนี่ใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วสูงกลางกายแล้วแล้วเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรละ ก็จะคุ้นพอหลับตาทมสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนมละมุนละไ ม, ม, ะมยอย่าไปคาดฝังว่าเราจะต้องเห็นนน่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่า ใ, ใจคุ้นก็สุนกลางกายฐานที่เจ็ด แล้วกระทหยุดทำนิ่งให้เป็นสะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นกัมนมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรแร้ เป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนจะเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทําให้ใจละเอียด พอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมบัติกระแสทานอย่างความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบา เรียกว่าปสัสสธินะมันเบาๆมันตัวโลง่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ไห้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบ เรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจนะชอบใจนะกับอารมณ์นะี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสงความสุขเกิดขึ้น ชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอบรมาเทียบกันอะไรเนะนี่ยเพราะภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกนะอย่างไม่เบื่อหน่าย อย่งกตือรือล้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นเนี่ยนั่งในเบื้องต้นเอาให้ได้ตรงนี้กันซะก่อนความสุขที่เกิดจากสมาธินี่แหละมันจะเป็นแรงจูงใจให้เรานั่งต่อไปเหมือนเป็นรางวันนลสาหรับผู้ทําความเพียรเป็นรางวัลเบื้องต้น เราจะไม่อิ่มไม่เบือ่อในการนั่งสมาธิหรือทำสมาธิในอริยบทอื่นมันจะเกิดขึ้นมาเองนั่นแหละรางวัลสำหรับผู้มีความเพียรจนกระทัมันเกิดฉันทะขึ้นมานอยากอยู่กับอารมณ์นี้นานๆด้วยความสมัครใจ อยากหยุดอยากนิ่งในเวลาว่างหนาทีสินาทีก็อยากจะอยู่กับตัวเองตรงกลางกายอยู่กับอารมณ์ชนิดนี้ที่หาไม่ได้จากคนสัตว์สิ่งของธรรมชาติรลอที่ใดๆเลยอยากจะอยู่กับตรงนี้นานๆอย่างนั้นละถูกหลักวิชาเราแหละ ใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่ ม, มกัไปเรื่อยๆืจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธ บริ ส, สุทธิ์จากมลทลินของใจจากความโลภความโกรธความหลงในระดับหนึ่งจากความหงุดหงิดเงินง่านฟุ้งซ่านลาพานใจจากการตรึกในเรื่องกามเรื่องเพศเรื่องรูปสียงที่รสสมบัติธรรมลมเรื่องลาบยศสรนเซิเรื่องอะ่งต่างหรือความ โกรธความไม่ยบาทดขัดเคืองใจน้อยใจสศกเศร้เสียใจครับแค้นใจลำพิลัยลำพันธ์อะไรา ง, างมันหายไปใจมันจะสบายมันจะบริสุทธิ์และจนกระทั่งเราความรู้สึกเหมือนกลายว่ า, าใจเราบริสุทธิ์สะอาดเลี่ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิต ที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสท า, านแห่งบุญมันจะรู้สึกกันเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมละใจเราก็จะอิติพาาภูมิใจนะเบิกบาน ว่าเออเรานี่ได้หลุดจากกระแสวิบากกรรมที่ทําผ่านมามันจะเกิดขึ้นมาเองแล้วนั่นแหละแม้ความจริงนั้นอาจจะหลุดจากวิบากกรรมไปในระดับหนึ่งอสย่สซแต่ความรู้สึกของเราเราจะรู้สึกว่ามันสูงสงว่าเออ บาปอากุณสเราท่านไปถูกถอดออาแขกใจปิบา ก, กรรมต่างๆมันจะยิ้มยิ้มอยู่ภายในลึกๆจนกระทั่งมันขายายไปสู่ที่บนใบ ห, หน้าและกร ะ, ะแสที่ออกไปรอบตัวอย่างนั้นไปในบรรยากาศและเราจะเข้าใจกัน่าใจใสใส ที่บอกว่าเออให้ทำใจใสใสถ้าเราไม่ถึงณตรงนี้เนี่ยเราก็เข้าใจในระดับหนึ่งแต่อารมณ์ใสเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าถึงจุดที่หยุดนิ่งในระดับเห็นดวงใสขึ้นมาดวงใสใสแม้จะเล็กขนาดดวงดาวในอากาศก็ตาม เราจะรู้หรืออรู้จักแล้วว่าให้ทำใจใสๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราใจที่ใสเนี่ยมันจะปราศจากนิวรณ์ใจมันจะเกลี้ยงโปร่งเบาสบายบริสุทธิ์ในระดับหนึ่งทีเดียวจนั้ามีความมั่นใจว่าเราบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากวิบากกรรมแล้วก็ความรักรับราถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เม่ดดวงใสปรากฏเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเกิดขึ้นเป็นดวงใสใสแล้วเราจะเข้าใจคำว่ า, อ, าอยู่ในบุญ น, นะให้นึกถึงบุญอยู่ในบุญ ถ้ายัางไม่ถึงดวงธรรมดวงเนี่ยใสๆเนี่ยเราก็เข้าใจในระดับหนึ่งคือเราต้องใช้จินตะมยะปัญญาคือต้องคิดว่าวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเราได้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นซึ่งก็ถูกในระดับหนึ่งของความหมายของคาว่าอยู่ในบุญ แต่พอมาถึงดวงใสๆภายในกลางกายเนะี่ยเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นออ๋อเยื่ในบุญเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนะี่ยพอถงึงนั้นมันมันจะแจม่มใสแจ่มกระจ่างมีความปลื้มบิติเบิกบานในบุญ แต่นิ่งสงบเยือกเย็นหนักแน่นมีอารมณ์เดียวแล้วก็เกิดความรู้สึกกับบุญนี่แหละจะคุ้มครองเราให้ปลอดภัยในทุกสิ่งและจะนำความสุขและความสำเร็จในชีวิตนะให้บังเกิดขึ้นกับเรานะมันจะเกิดขึ้นเองเนะี่ยถึงดวงใสใส เหตุไปจอว่าเบื้องต่อ น, นี่เราก็ต้องฝึกกันใหม่นี่เป็นภาร ก, กิจของเราเงานที่แท้จริงถ้าใจใสยอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกําเนิดของความคิดคําพูดและการกระทําที่ดีเรากระแสทางในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกําเนิด ของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาล จึงกำลัขัดทั่งไม่นึกถึงอะไรเป็นอุปสรรคไม่ว่าบุคคลที่เราไปเชิญชวนนั้นก็จะมีความขัดแยง้งไม่เห็นด้วยกับคำแนะนำชักชวนของเราก็ตามแต่ว่าดวงปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นให้เรารู้วิวธีที่จะตอบปัญหา ขัดจัด้าขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจของเขาเนี่ยจะต้องพูดอย่างไรแล้วก็นำเขาไปสู่จุดหมายปลายทางคือเขาสมหวังในการที่ได้สร้างบุญกุศลบุญบารมีมันก็จะเกิดขึ้นในโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงใสๆนี่แหละความคิดกาบพูดการกระทำ แล้วมันก็จะมีอายสถนะไปดึงดูดให้ผู้มีบุญที่พอเราชักชวนก็ททำบุญเนี่ยอายสนะมันจะตรงกันแค่เขาเห็นเราก็กจะเกิดความบึงบอใจนะไว้วางใจว่าถามอบใจของเขาดวงนี้มาไว้กับเราเนี่ยเชื่อถือได้เชื่อฟังได้ก็จะต้องนำเราไปสู่สิ่งที่ดีเลย ต่างๆเ่านั้นเมื่อใจก็เปิดตอนนี้ความรู้เนี่ยจากภายในก็จะผ่านจากใจเราสู่ใจเขาที่เราคุ้นเคยคาว่าหาัตัวฮัตจากใจถึงใจก็จะจักชวนกันได้ให้มาทำความดีอะไรต่า ง, างเหล่านี้นแล้วเราก็พยายามทำความคุ้นเคยกับ ดวงธรรมใสๆอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปเพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายนักเมื่อได้มาแล้วก็ต้องรักษาให้อยู่กับตัวเราให้ได้ตลอดเวลาโดยการหมั่นทำความเพียรใ้จดจ่อ เราก็สังเกตว่าเราวางใจหยุดใจด้วยวิธีการอย่างนี้เนี่ยถึงเข้าถึงได้ฝึกบ่อยๆให้มันชำนาญเป็นวสีทั้งหลับตาลืมตาก็ให้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเรค่อยๆฝึกขึ้นไปแล้วเวลาเรานอนแล้วก็หลับ อยู่ในดวงทมใสๆซึ่งจะมีความสว่างมาเกิดขึ้นด้วยตื่นแรกก็คือต้องเห็นดวงทมใสๆจะอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันกับถ่ายอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในดวงทมใสๆจะ รับประทานอาหารจะแต่งตัวต่างๆก็อยู่นดวงธรรมใสๆที่เราหลับตาลืมตาเห็นได้ตลอดเวลาเนี่ยหลังจากนั้นมันก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแกตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกาย กลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจลราก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยพุทเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็ เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดในนิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่ ง, งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่คือขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดย ไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆ ส, สบายอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมัน ยิ่งดันมันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกั้ไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะ เ, นเราได้ยินภาษาไทยสรารนาค ม, มคมแลือคำมันนะแล ว, ว่าเคลื่อนเข้าไป ถ้ะเข้าใจครว่ากามนาได้ตัวมือใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณะคมคือเคลื่อนเขาไปหาพระรัตนไตรเขาแปลว่าพระรัตนไตรนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดี ดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็ เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นนะดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งเง่งเง็งนุ่นมนม่นมเบาเบาสบายสบายวก็กจะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือ เราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วละ่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ทงค่อยๆเพิ่มเปลือตาขึ้นมาสักนิดจนกทั้งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมั น, นาหายไปจากใจเ่อมันอันตรธ า, านไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่าง ง, ง่ายๆสอนตัวเเองว่าเราเป็นนักเรียนอนุบาล จะเพิ่งไปเรียนอะไรให้มันลึกซึ้งทำหยุดทำนิ่งตรงนี้ให้มันเป็นอย่างถูกลักวิชาที่มหาปุญญายาจารย์หรือบัณฑิตนักปราชญนการก่อนเขาได้ทำกันกับเรื่อยๆอย่างเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆสบายๆ ใ, ใจใจก็จะเคลื่อนกัไปเองรปลว่าเราบังคับให้เคลื่อนกันไปไม่ได้ แต่จะไปเองไม่ใจหยุดนิ่งในสนิทสมบูรณ์ร0อยอย่างนั้นและความสุขก็จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เคลื่อนเข้าไปสมมติว่าเราเคลื่อนเข้าไปในระยะแรกๆความสุขได้สักร0อยแต่พอรอนิ่งเราไปมันก็จะเพิ่มเป็น2 0 0ร้อยร้อยไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆเลย นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆแม้ว่าสิ่งนั้นจะจำเป็นเพื่อได้ประจัยสี่มาหล่อเลี้ยงสังขารแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เรานำติดตัวไปในภพเ บ, บื้องหน้าไม่ได้ยกเว้นเราเปลี่ยนมาเป็นบุญนั่นแหละเราจะหอบประมันไปไม่ได้ถ้าเปลี่ยนเป็นบุญนึงจะเอาไปได้ แล้วเวลากลจะลาโลกเนี่ยราจะไปนึกถึงทรัพย์สมบัติลาบยศส่วนเกินก็ช่วยเราไม่ได้แต่ตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นดวงธรรมก็ดีกายภายในก็ดีองค์พระกดีนี่จะช่วยเราได้ให้เรามีความสุขไม่มีทุกขเวทนาที่กายเนือ้อแต่ใจมันจะล่อนออกเหมือนเงาะกับเหลือกมันไม่ติดกันอย่างนั้น ใจมันจะเกลี้งเกลี้ย ง, ยงข้างนอกอาจจะมีอาการทุวกบเวทนาบ้างเพราะว่าสังขารมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเวลาจะแตกดับมันก็มีอย่างนั้นแต่ว่าใจข้างในมันจะนิ่งส ง, งบมั่นคงและมีสุขเกิดขึ้นมั่นใจอ บ, บูนใจปลอดภัยว่าถ้าเราหลุดออกไปแล้วไม่ไปอบายมีนจะไปสวรรค์สุคติโลกสวรรค์ ก็จะเป็นที่พึ่งได้การอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั่นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันนั้นคนมีปัญหามรลมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมังก็ทำให้สิ่งแวดล้อมีปัญหา ความทุกข์ตาวละเมความคเครียกกับระบาดเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสๆเราก็ชันอยู่เหนือ สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นแต่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคียวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างเงินเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติ แล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนะไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมือนก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนาะพอเราอยู่ในสายตาก็ตลอดเวลาก็าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็เราไปในทางที่ดีขึ้น เป็นอย่างนี้ค่อยจะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นก็จะเย็นตามะค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไว้เรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศ อาณาชาตและก็ทัวโลกสิ่งดีๆในโลกนีนะ้เริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละจะถลูกทุกคนในความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วย ต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนะั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้นะต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความบาสุข คนจัดสิ่งของมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นหยุดการนิ่งนี่นนนนสำคัญนะลูกเนะฝึกเอาไว้เนียให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดการ น, นิ่งนี่แหละมันมีอเนกสง์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แล้พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลัง คำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนเราฟังเขาก็าจะมีความพิติเบิกบานอาถรรพาเริองอยากจะทําตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งนะึกเขาฟังแล้วเขก็ผ่านไปหยุดนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้า ไปได้ไกลแลบปลอดภัยมีใจช น, นะมันต้องหยุดนิ่งให้มันคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถย่ยรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งไวชรลาเทศจะอยู่ก็ ยากฝอกเลือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตา่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลาดหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่ง น, นะลูกนะนั่งกันไปทุกวัน เวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆ น, น, นุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ